ถ้าไม่จิตใจมาอยู่กับพุทโธเพียงสุดเดียวนานๆานเข้าจิตก็จะเกิดมีมดอพานสงบการที่จิตท่องพุทโธเองมีสติสัมปชัญญะรู้เองโดยอัตโนมัติโพ้ชภาวนาได้องค์พานที่หนึ่งกับองค์พานที่สองไว้เป็นผลแล้วเพื่อพิตกกับพิจารณ์ในมาจิตมือพตกพิจารณ์จึงเกิดความตุขจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เมื่ตจิตใจสงบเกิดเส้นความสงบสิตเส้นเรียบพลาสมาธิย่อมเกิด ข, ขึ้นมันจะมีผลสเนื่องกันไปเป็นรนดับอย่างนี้แต่บางครั้งบางขณะถ้าหากว่าท่านพ้องคาถามโธพโธพิโตพโธิโตพธิโตอยู่ข้าจิตของท่านเชื่อมโธิ์พัดไปคิดถึงอย่างอื่นส่วนมากเราจะได้ยินว่าเมาื่อจิตเชื่อมโพธิโตแล้วให้เอากลับมาหาพธิโธอีก จะได้อาจมาจะขอแ น, นอแะนําวิธีแปลกๆซึ่งอาจจะแปลกสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบแต่สําหรับอาจมาศเองเรื่อครูบาอาจารย์อื่นๆที่ท่านทดสอบมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นของแปลกเมื่อเราท่องคาถาบริกรรมโพโทโพโทพโพโธอยู่ถ้าจิตจะอยู่กับพโพโธก็ปล่อยเข้าอยู่เรยไปถ้าเขาไม่อยู่เขาเล่งพโพโตเสียไปคิดถึงอย่างอืงอ่นก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่เรา ท, ำทํำสติตามตรงไปเรื่อยๆ ตึ้มที่จิตเพราเราจะไปคิดถึงนั้นก็ไม่มีอื่นนอกจากเพิ่มกางานที่เราทําอยู่อันเป็นเรื่องของจิตที่ประจักษ์่อนถ้าไปจะนักทำบัญชีพอจิติ้งพุโทโธแล้วมันจะเป็นนักถึงเรื่องบัญชีใครจะนนักวุชาการใดๆก็ตามเมื่อจิดทิ้งพุโทโธแล้วมันจะเป็นนักถึงวิชาการนั้นๆพอมันนึกถึงอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปแล้วทำแจะติตามโลกไปไเรื่อย เมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้ตามพันความคิดเมื่อไรเราจะรู้สึกว่าภายในจิตของเราเนี่มันแยกกันเป็นสองม่ติใมิติหนึ่งคือความคิดคิดไม่หยุดในมิติหนึ่งตวัวสติจะตามรู้อยู่ไม่หยุดเหมือนกันความคิดขึ้นเร็วขึ้นสติยิง่งแจ่มใสขึ้นลองผลตัวท้ายมันก็จะเกิดทีตีสึกมีความสุขและสงบเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันกันกบบริกรรมภาวรายอย่างอื่น อันนี้เป็นหลักวิธีการที่สส่วนวีธีการที่สามนั้นเมื่อท่านมีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต้รกิจการงานที่ท่านทาอยู่ก็ต า, ามาให้ถือว่าการใช้ความคิดนั้นเป็นการพิจารณากรรมฐานขันสี่เช่น อ, นอย่างในขณะบางท่านอาจจะมีความรู้ในหลักวิชาการแตกต่างกัน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 โดยเอาการคิดเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทันตีในทำนองนี้จะสามารถทําให้ท่านมีจิตเป็นสมาธิมีสติสัมปชัญญะในเมื่อเราให้วิชาการนั้นๆมาเป็นอารมณ์ในการคิดแล้วถือว่าการคิดนั้นคือการปฏิบัติกรรมฐานเราจะได้สติสัมปชัญญะสนับสนุนติดตาจที่เราทำอยู่ในเรื่องของจิตวิสัยประจัน เมื่อกอนี้่เคยมีโรคติดไปบวชอยู่ที่วัดเป็นคนทำงานเกไฟฟ้าพอตอนพวกประเภทสร้างเครื่อนติดตั้งเครื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าต่างๆมียกคราวหนึ่งเขาไปรับคำสั่งให้ไปติดตั้งเครื่องไฟฟ้าที่จังหวัดอุบลเ่อนนั้นเป็นเครื่องใหม่เค่งเขาเองก็ยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ ไปครับเพื่อนกันก็ได้เก็ตที่จะทําทําแล้วมันก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งเกิดพ้อแทใ้ใจขึ้นมากําลังจะทํำรายงานสกงคืนขอช่างคนใหม่ไปทําแต่คนที่เขาจะบวดจับอาจารย์ชื่อวัดเขาบอกว่าไหนลองให้ทําสมาธิสูซิขอเวลาอีกสักคืนหนึ่งพอเสร็จแล้วก็าก็เข้าทําสมาธิตามแบบที่เขาเปิดจิตผ่าพอเกิดจิสงบลงไปแล้วเกิดภาพในนิ เกยวกับเพื่อนที่เขาไปทํานั่นขึ้นมาในสมาธิเมื่อเขาดูเห็นอย่านั้นเขก็รีบบันทึกเอาไว้ไปลงข้ามาก็ไปทําทําก็สําเร็จตามที่ต้องการอันนี้เป็นหลักฐานอันหนึ่งสมาธิที่สนับสนุนจิตใจที่ทําอยู่ได้เมื่อในดานมานี้มีนักธุรกิจท่านหนึ่งไปหาสมณะที่วัดไปบอกว่าผมจะมาขอเป้นครูกรรมฐ า, านกับพระขุนเจ้า อาจารยมาก็บอกถามว่าคนมีอาชีพอะไรถ้าบอกว่าเขามีอาชีพในทางประดิษฐ์สินค้าขายไหนลองเล่าดูซิในขณะที่คนผลิตสินค้า อ, อยู่นั่นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมมติว่าผมจะสร้างตุ๊กตาสักตัวหนึ่งผมก็คิดว่าควรจะทําศีตัดมันอย่างนั้นทําแขนทําขาส่วนประกอบอย่างนั้นอางนั้นพอเคลื่ไปเล่าเสร็จ ม, มนุษย์แต่ทักหนึ่งเกิดความวาสว่างขึ้น มองเห็ดภาพตุกตาที่จะสร้างเสร็แต่แล้วก็ไปทำตามภาพนี่ที่มองเห็นสรดอเอกมาก็เป็นที่ชอบใจของลูกค้าอาตมาก็เลยบอกว่าคนไม่้องมาขึ้นโ ท, กนาากทลกรรมฐานกรับท่านหลบคุณเสร็จแล้วท่านภาวนามาทึงอายุสิบสี่ปีเดี๋ยวนี่หกสิบห้าปีแล้วยังไปปิดของขายอยากคุณไม่ได้คนทำามมาากรรมฐานต้องคุณด้วยไป ถาคนอยากจะให้กรรมาฐานของคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นให้คนมีศีนท่ากันรักษาสีนท่าให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็คิดปฏิบัติสิ่งของเค้าคุณต่อไปแล้วคุณจะรู้ความสิ่งของธรรมะเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของบุคคลผู้สามารถทํำสมาธิให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้ในบรรดาท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่นี่อาจจะมาขอยืนยันว่าท่านเคยฝึกสมาธิมาแล้ว และได้ใช้สมาธิให้เกิดประโยชน์แต่ชีวิตของตัวเองมาแล้วทุกท่านท่านฝึกสมาธิอย่างแท้จริงมาแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ท่านเริ่มเรียนหนังสือตัวแรกแต่ครูผู้สอนหนังสือท่านเขาไม่ได้บอกว่าท่านเขาฝึกสมาธิท่านแล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านฝึกสมาธิแต่แที่จริงมันเป็นการฝึกสมาธิตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือมาที่เดียว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 แต่ยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองได้ฝึกสมาธิและได้ทําสมาธิและได้ได้ให้สะสมาธิให้เกิดประโยชน์มาแล้วเพราไม่มีผู้บอกถ้าเนีก็เห็นจะเป็นว่าเราเข้าใจว่าโลกกับธรรมมันหันหลังให้กันเราเคยได้ยินว่าท่านเทศว่าพระที่โลกกับพระที่มีธรรมในเมื่อเราตีความหมายของคาว่าพระที่มีโรคพระที่ธรรมไม่แตกต่เราก็เลยเข้าใจว่าโลกกับธรรมต้องหันหลังให้กัน แต่ลอยลอยหลับธรรมชาติของความเป็นจริงแล้วเรื่องของโลกเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งเล็กของสติโลกนี้เองเป็นผูด้แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เรารู้โลกนี้เองเป็นอารมณ์ที่มาแย่จิตใจของเราให้เกิดอารมณ์ความสุขและความทุกข์โลกนี้และเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้น รวมความแล้วว่าการสติในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเราอาศัยตายสับใจเป็นหลักทำสติและวเลือกโลอยู่ในใจเรียกว่าตายานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดโลดสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายสติเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดทำสติตามรู้การคิดอ่านของตัวเองเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการที่เอาสติตรวจสอบพิจารณาช่องดูดู กับอารมณ์ที่เกิดจากสุขสิทธิ์และความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสิทําอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพ่นเกิดใจที่ไปหาความสุขเรียกว่าตามมาฉันท์่านอีวอ์หอ <c oughs> รือพยาบาทเกิดใจที่คิดตัดตอนผลประโยชน์ในการปฏิบัติความลังเลสงสัยในการปฏิบัติว่าจะเอาจริงหรือให้จริง แล้วเาอาใจใจจดจออพิจารณาลุกอยูอย่างนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเรากําหนดจิตเพรเราหลับตากําหนดเจ็บทับลงไปเราก็โูดทันตีว่าเรายัางมีกายอยู่ปฏิละเล็กโลดอยู่ที่ตายก็เรียกว่าตายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อสติกาหนดโลดสึกทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ตายก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนา ถ้ติดตามกาหนดโูภความคิดอ่านซึ่เกิดจากจุกดจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาถ้ตาติดกาหนดโูภความหงุดติดข้นขึ้นในการที่จะปฏิบัติหรือการทํางานเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนื่องถ้เรากําหนดเอาอย่างนี้เราจะมองเห็นทำได้อย่างง่ายๆแม้ว่าเราอาจจะกําหนดจิตคอยต้องดูความคิดอ่านที่เกิดขึ้นดับไปโดยทุกขณะจิต เมื่อเราเอาความคิดเป็นสิ่งรู้เอาสติลราเล็กลรู้อยู่กับความคิดนั้นจะทําให้สติสัมปชัญญะของเรามีสมรรถภาพมีพลังงานแข็งแกร่ ง, ข, งขึ้นพระโดยธรรมชาติสติถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งเล็ความมั่นใจและสะติสัมปชัญญะจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกที เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงความของความคิดในแง่อันตจังทุกขังอนัตตางเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแก่กล้าขึ้นกลายเป็นตัวปัญญาเราสามารถที่จะกาหนดรู้ใดว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตสิ่งใดที่ทําให้เราพอใจหิตนดนีสิ่งนั้นเป็นอิจารมมีแนวโน้มให้เกิดตามมาตัณหาถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นเราไม่พอใจเป็นอนิจฉารม์ ในแนวโน้มให้เกิดฤพวัตันหาถ้าเราไปเกิดความยินดีหลืความเยินไร้ทั้งสองอย่างมันก็กลายเป็นภวะตันหาเมื่อเกิดท่องเรามีตาเมตตันหาภวะตันหาอยู่พร้อมทุกทุกย่อมเกิดขึ้นตามวาระของกิเลสแต่อารมณ์จะอํานวยผลให้ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจักสตินั่นเองถ้าเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมเราสามารถจะรู้ได้วันนี้คือทุกอริยสัจคือสัพเพเดชสัจตระโท อันนี้ถ้าเรา ท, ทําำสติกาหนดตามรูปจิตในอารมณ์ของเราเราจะได้ความรู้ปราบกฏขึ้นมาอย่างนี้มาได้ความรู้ปราบกดเป็นทัศขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเรารู้ทำเห็นทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนวันนี้พระเปล่ามันใหญ่ธรรมะพอเป็นสติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าสมควรแกร่ตาลาเวลาเตืนคอทุตถึงด้วยประตาลัคนี้ มีปัญหาที่มีผู้เขียนถามมาการใช้ธรรมโอสถรักษาโรคของผู้ปฏิบัติใช้วิธีใดพิจารณาอย่างไรโรคจึงจะหาย <c oughs> การใช้ธรรมโอสถรักษาโรคอันนี้เอาความเป็นจริง คื่เป็นประสบะการณ์ที่เกิดกับอาตมาเองในสมัยเมื่อระหว่างปีพศ 2487-88 อาตมาป่วยเป็นวันโรกการป่วยเป็นวันโรกในสมัยนั้นยาหยกยาที่จะรักษามันไม่ทันสมัยเหมือนอย่างทุกวันนี้ใครเป็นเพื่อนก็คอยแต่ว่าจะต้องตายอย่างเดียว <c oughs> แต่เพราะอาศัยธรรมโอรสเป็นเครื่องรักษาามาจึงิลดพ้นจากความตายมาได้เวทีปฏิบัติที่ใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคนี้เริ่มต้นด้วยการพิจารณาดูความตายเพราะในขณะที่จิตกาลังมีความทุลนทุไลเกี่ยวกับเรื่องการเป็นและการตายและแน่ใจว่าตัวเองจะต้องตาย เดือนหนึ่งก็มาคิดว่าก่อนที่จะตายควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรในวันนัน้นอุตสาตั้งใจพิจารณาดูความตายอยู่ตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งสิบสี่สามการพิจารณาดูความตายก็เแป่ว่าเนื่องว่าเราเนี่ยแต่ต้องมีความตายเป็นธรรมดาล่วงต้นความตายเป็นไม่ได้เราจะต้องตายแน่ตายแน่แน แล้วอธิบายว่าความตายนะั้นมันเป็นอย่างไรความตายคือการขาดศูนย์ทิ้งแห่งซีวิตอินรียตายไปแล้วร่างกายมันก็แตกตับสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไปเข้าสิตสิตัญญาพอที่จะพิจารณาได้พิจารณาอยู่ตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งถึงสี่สามความสงบนิดหน่อ ย, ไ, อมยอมไม่ได้บังเกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์รุนทุลายแั้นว่าผู้พทนต่อความเหน็ดเหอยไม่ได้ เจ็บหนึ่งมันก็เช็ดขึ้นมาว่าควรจะพักผ่อนให้สบายีปก่อนฝากไว้วันหลังค่อยพิจารณากันใหม่ทีนี้พอตั้งใจจะพักก่อนเจ็บหนึ่งมันก็ปวดขึ้นมาว่ามีอย่างที่ไหนท้านอนตายกันทั้งโลกท่านจะมานั่งตายมันจะตายได้อย่างไรเอาทางงั้นก็นอนตายสิทีนี้พอนอนลงไปก็ไม่เห็นนึถึงเรื่องความตายก็จำรถจิตตูลมหายใจเฉยทีนี้หนักหนักเข้าลมหายใจมันก็ค่อย เบาลงเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงบาลองแล้วในที่สุดมันรู้สึกว่ามีแสงแห่งวิญญาณมันลอยหมุนขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ย้อนกลับลงมาเตือนใจกับว่ามันมันจะไปหรือไม่ไปมันจะห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ลองพวามสุดท้ามก็ถือตัวขึ้นไปลอยเหนืออยู่เหนือร่างกายแล้วก็ส่งแสงลงมาดูร่างกายส่วนร่างกายนี้ก็ เปิดเอิบเน่าเปื่ขขอยูพังสลายตัวลงไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็เป็นย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นสามสี่ครั้งจนกระทั่งรู้ึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อเมื่อสองโมงเชา้าแปดนาฬิกาทีนี้ตอนที่จะรู้ตึกตัวขึ้นมานี่มันมีความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาว่านี่หรือคือการตายแต่แล้วคำตอบมันก็โผดขึ้นมาว่าใช่แล้วพอใช่แล้วแสง น, นั่นมันก็พุ่งลงมา ได้ามาประทับพระที่หน้าอกนี่นแผ่วๆในตอนที่มันมาประทับในตอนรอแรกนี่รู้สึกว่ามันมีอาการสู้ต่าวิ่งไปทั่วร่างกายมันเหมืนกับกีดยาเซนเซียมอย่างแร ง, งนั่นแหะต่อกาหนดติดตามรู้จนได้สติตั้งใจว่าเรานอนอยู่ในท่าไหนหันศีรษะไปในทางใดเรากรําหนดจิตอย่างไรจนกระทั่งแน่ใจว่าเรามีความรู้สึกอย่างแท้จริงแล้ว ตอนที่จะเริ่มตายขึ้นมามันยังสงสัยใจไหวเอ๊ะเราตายจริงหรือเปล่ายกมือสองข้างมาทำดูหนา้าอกก็ยังรู้สึกว่าโอ้ยยังอยู่ยังไม่ตายเลื่อนตา้นดูนาฬิกาสองโมงเช้าทีนี้หลังจากนั้นโครคไข้ไข้เจ็บที่เป็นอยู่มันก็ค่อยค่อยหายวันหายคืนมาจากานกระทั่งแบบนี้แต่ถ้ากับว่าไม่ได้ทานยาอะไรมันก็หายเพรมันมาเอง อันนี้เป็นประสบะการณ์ที่หลวงพ่อได้ประสบมาด้วยตนเองทีนี้วิธีการที่จะรักษาโรคให้มันหายมันก็มีหลายๆวิธีการใช้ธรรมโอสสหนึ่งอาศัยความเชื่อมัน่นโดยอาศัยอะไรเป็นสิ่งเย็ดของจิตให้เหนียวแน่นแคะจาักสักอย่างหนึ่งจะเป็นพระพุทธโรกหรือครูบาอาจารย์องค์ใดที่เราเชื่อมัน่นว่าท่านอาจจะมีพลังจิตพลังใจพอที่จะช่วยเราได้ เราน้อมเจ็บน้อมใจนอนเอาคุณของท่านมาอาธิษฐานแล้วก็ช่วยรักษาให้โรคหายหรือบางทีเราอาจจะทําสมาธิให้เจิบท่านงสงบะว่างลงไปพอเป็นอุปจาระสมาธิเราเข้าใจว่าโรคของเรามันเป็นอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็พยายาม ส, ส่งกระแสจิตเพ่งไปตรงที่จุดที่มันเป็นทําบ่อยๆเข้าแล้วโรคภัยที่เจ็บมันก็จะหายไปถ้าหากว่าไม่ใช่โรคกำโรคเรนจริงๆสามารถจ ะ, จะรักษาด้วยพลังจิตได้ ดังนั้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถทํำสมาธิในท่านอุปจาระสมาธิทําจิตให้สงบสว่างแล้วก็ยับยั้งสมาธิอันนี้ไว้ได้นานๆอันนี้มีโอกาสที่จะรับกษาโรคของตัวเองกลบของผู้อื่นให้ไหายได้ถ้าจะช่วยคนอื่นเขาก็งดจิตทำจิตให้สว่างแท่งกระแสจิตเข้าไปที่ร่างของคนไข้แล้วไปตรวจดูจิตที่สงบสว่างเนี่ยพอแพ่งไปที่ตรงไหนมันจะมองเห็นส่วนตัด ในร่างกายของคนอื่นได้อย่างชัดเจนเมื่อ จ, จะมองเห็นโครคภัยไข้เจ็บเป็นอยู่ที่ไหนพยายามเพ่งกระแสสิทิ์แผ่เนืตาให้ตรงนั้นมากๆแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปเหมืม่อไหร่ก็กที่เขาใช้พาถาเศษเป่าอะไรกระดูกแต่กระดูกพักเสศษน้ํามันไปพาแล้วก็เป่ามันก็ถูกมันต่อกันได้อันนี้ก็ใช้พลังสมาธิเหมือนกันเห็นไหมการที่จะใช้พลังสมาธิรักษารโรคของตัวเอง ให้หายได้นี่เพียงแต่ทำสมาธิให้จิตมันสงบนิ่งสว่างจิตสงบนิ่งสว่างถ้าสามารถเอาพลังจิตมามองดูภายในกายของเราหนี่ให้เห็นวิญาณวะทุกสิ่งทุกส่วนได้แล้วก็ายที่ฐานจิตให้พลังจิตนี้ช่วยรักษาโรคให้หายก็ภายได้ถ้าไม่ใช่โรคกำจริงๆแล้วก็สามารถจะรักษาให้หายได้อ่าปัญหาที่สองการพิจารณาตาจงตา ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างพิจารณาจากเรื้องต้นจนถึงที่สุดด้วยวิธีใดและจะได้ธรรมะอะไรบ้างการพิจารณาตาเยกตาสติตายกตาสติก็บ่งบอกชัดอยู่แล้วตายเป็นที่ตั้งของสติในเมื่อเราเอาสติมาเล็กระดับเกลกอยู่ที่ตายเพียงไดกว่าผมขนเม็ดปัน หนังเมื่อเป็เนกระดูกตามอาการสามสิบสองพยายามจะเลืกไปทีละอาการทีละอาการด้วยความแน่ใจเป็นโอบายทําให้เกิดพลังสิตย่างหนึ่งคือสตินั่าจะเข้าเมื่อเราละเลิกโย่บ่อยๆเกิสามารถที่จะสงบลงเป็นสมาธิได้สงบลงเป็นสมาธิได้ยานได้ทานอะไรต่างๆดังนี้กระคุณเจ้าทั้งหลายท่านที่ แใ้เมืเราตั้งใจและเลิอกอยู่ด้ตายสุตายจสตตาสติเนี่ยแม่จิตจะยังไม่สงบแต่เราจะได้พลังงานทางสติเพิ่มขึ้นทุกสี่เพราะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเข้าจะเพิ่มพลังงานขึ้น <c oughs> อยู่ใน ว, วิธีเบื้องต้นมันมีอยสองวิธีวิธีหนึ่งและเลิกไปตามอาการสามสิบสองจนจบ อีกวิธีหนึ่งที่ครบาอาจารย์ทำฝ่ายนี้ท่านนิจดไท ย, นยแนะนําลูกศิษย์ให้ทําให้กาหนดศีรษะลงที่หน้าอกกาหนดรอบหนังออกแล้วก็เสือเน้่าออกเนตให้มันถึงกระดูกเนตย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่จนกระทั่งเกิดความแน่ใจว่ามีกระดูกอยู่ตรงบริเวณหน้าอก แล้วภายหลังก็เพ่งจิตลงที่ตรงนี้ที่หน้าอกแล้วก็นึกปริทัมภาวนาว่าอาุอาิุหรือกระดูกกระดูกกระดูกจ้องอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วเราจะมองเห็นกระดูกบริเวณหน้าอกหรือบางทีอาจจะมองเห็นตัวทั้งตัวก็ได้ไอ้นี่เป็นวิธีหนึ่งวิธีเบื้องต้นที่สุดก็คือว่าผมขนและปันหลัง อันนี้เป็นมูลกรรมาฐานที่พระอุปัชฌายะทั้งหลายท่านสอนให้คุณระบุก่อนท่านนี่เป็นพิจารณาก่อนอื่นเพราะกำมาฐานห้าผมฝนในปันหนังเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายแห่งความสวยงามและความไม่สวยไม่งามคนเราก็ยังมีกิเลสอยูมันติดกันอยู่ที่ผมฝนในปันหนัง ถ้าว่าสิ่งห้าอย่างนี้มีอันพิพนธ์ที่การวิปลสาสไปใช้จัดอย่างไดอย่างหนึ่งมันก็หมดสวยหมดตามไม่มีใครชอบเราจ ะ, ะนั้นท่านจึงเร่งให้พิจารณารรมฐานห้าก่อนอืน่นอันนี้ก็จัดจะได้หมวดแห่งการเจริญตายักะตาสติเหมือนจัดจะได้ธรรมะอะไรบ้างที่เราจะได้จากาการพิจารณาตายักะตาสติธรรมะที่เราจะเพิ่มได้อย่างเด่นถ้าที่สุดก็คือตัวสติ เมื่อได้สติสัมปชัญญะเป็นตัวเด่นทัดเพิ่มความมั่นใจในสมาธิย่อมเกิดขึด้นเมื่อเรามีสมาธิความมั่นใจความปกติของจิตก็เกิดขึ้นเมื่อมีความปกติของจิตปกติตัวนี้เป็นตัวสีระคือความปกติของจิตในเมื่อจิตมีความเป็นตัวต่อสิไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆเจตก็อยู่ในอาการสงบนิ่งพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะ เมื่อจิตมีสิ่งเปตัวปกติสัจว์จะความจริงใจย่อมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจิตจิตและความสุขเป็นเครื่องสูงใจให้เกิดความจริงใจเมื่อมีความจริงใจแล้วเจิตจะในอาการสงบนิ่งในบางครั้งเืออาจจะเกิดมีพลังงานเกิดการไหวตัวการไหวตัวพับอาศัยการที่ติตมีความเป็นปกติย่อมรับรู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นด้วยความเป็นปกติ สักแต่ว่ารู้สิ่งนั้นคอยจ้องโอยู่ที่จิตเตียงอย่างเดียวเป็นอาการของสุดตับคือจิตกระดับฟังเหตุการณ์อยู่ภายในจิตเมื่อเหตีการณกระดับฟังอยู่ภายในจิตอะไรเกิดขึ้นดับไปจิตรู้สักแต่ว่ารู้โลโด้วยความมีสติปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นจิตจ้อมรู้แจ้งเห็นจิตเตียนตามสภาพ ค, ความเป็นจริงของสภาวะนั้นๆเมื่อเกิดมีความรู้แจ้งเห็นจริง เกิดโลจึงเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงเกิดความรู้คือปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นด้วยกับความรู้นั้นเรียกว่าญาณนะทัศนะนะในมเมจิตมีความรู้แล้วก็เห็นด้วยกับความรู้รู้จริงเห็นแจ้งลงไปปะหานะคือจาคะตัวจาระการสละเกินซึ่งกิงเลสย่อมปรากฏขึ้น ตายเป็นปะหาสับพัดพักเราอย่งนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ในเมื่อผลงานที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวปกติคือตัวปกติของจิตนี่ปรากฏศลอย่างเด่ครับในมาติตัวปกติปรากกขึ้นนั่นแ่ะคือถิ่โดยอัตโนมัติเกิดขึ้นในใจของเราแล้วในมื่อเรามีศิลแล้วก็มีสัตว์มีสัตว์แล้วก็มีปุตตะที่มีสติปัญญาคอยจดจ่อฟังอยู่ภายในจิต อะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรเกิดขึ้นกร็รู้โูสัตแต่ว่ารู้โลแล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นยาณมัตตายะอาศัยแต่เพียงว่าเป็นสิ่งรู้ปฏิสติมัตตายะอาศัยแต่เพียงแค่ว่าเป็นเครื่องรลรกรู้แล้วปล่อยวางไปไม่ยึดในสิ่งใดๆเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมืเ่อเช่นี้สีละความปกติมีสัจความจริงใจมีสุตะการกระดักตรับปั่น มีความรู้แจ้งเห็นจริงจาค้าการพลัตพื้นขึ้นสิเลตย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาและจาถ้ามีพลังเส้นแข็งประกอบด้วยตัวสติเป็นตัวเด่นวิมุตติดคือความหลุดพ้นย่อมบังเกิดขึ้นตามขั้นตอนด้วยคำพระนะวิมุตติผลสิเลใได้ทั่วขนาดเด่นสมุเทศวิมุตติผลสิเลตได้โดยเด็ดขาดตามขั้นในภูมิของจิงที่จะเึงนํานวยให้อันนี้เราจะได้ธรรมะอย่างนี้ และโดยเฉพาะอย่างยืงย่งตัวเด่นพัดที่สุดก็คือตัว ส, ส, ส, วสติการเจริญคัตจายกตาเนี่ยได้สติเป็ยนหลักเมื่อได้สติแล้วสติตัวนี้มีพลังงานแล้วสา ม, มารถที่จะปฏิวัติจิตให้เกิดภูมิความรู้และภูมิทําได้โดยเอ่นโดยอัตโนมัติการพิจารณาสัญญาพิจารณาอย่างไรการล้างสัญญาเดิมที่ติดมากับสิท จะล้างได้อย่างไรการพิจารณาขันห้าโดยท่านแห่งปฏิปทาคือการภาคปฏิบัติเราใช้การพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามสัญญาที่เราเรียนมาก่อนเอาความรู้ที่เราเรียนเราจํามาได้โดยสัญญาพิจารณาจนมันเกิดความท่องตัวเห็นเราจะพิจารณาว่าโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไร ในมาได้คำตอบแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไ ร, ร, ะะไรไจนกระทั่งเราหมดหมดคําตอบแล้วก็หมดคำพักทีพิจารณาย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสร้างความเป็นไปของจิตให้เกิดความช่องตัวจนกระทั่งจิตมันสามารถพิจารณาขันห้าเองโดยโอโดยอัตโนมัติอันนี้คือวิธีการพิจารณาขันห้ายังจะมาโู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวก็จะโูดขันห้าทั้งหมด หนึโงรก็เราเมืตายเกิดมีโรูปในเมื่อมีตายก็ยังมีเวทนาเมื่อมีตายก็ยังมีสัญญาเมื่อมีตายก็ยังต้องมีสังขารเมื่อมีตายต้องมีจิญญาณเพราะกริยาอาการเหตุการตกแต่งแต่สิ่งโลภทั้งหลายเนี่ยลาทังตัวจิตอันเดียวเนี่ยเข้าใจแต่โลภอยู่เท่านั้นแต่ถ้าเมื่อมีตายแล้วเขาจะตกแต่งให้เป็นไปต่างๆตามกิเลสและอารมณ์ของเขา